3. กาลสัจจิกัตถะว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงกับการ 1. อนุโลมปัจจณีกะสิบสองสกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะประมาติใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิกัตถะประมัติตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ท่านจงรับนิกหะดังต่อไปนี้หากท่านยังร right ouais ู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ ทำนั้นของท่านผิดอ น, นึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิกัตถปรมัตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้พ ande, าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตแต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้ในการทั้งปรวง โดยสัจจิกัตถปรมัตคำนั้นของท่านผิดนิกาที่สจบ 4. อวัยวะสัจจิกัตถว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงกับอวัยวะ 1. อนุโรมปัจจนีกะ 13. บสกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีท่านยังรู้บุคคลได้ในอวัยวะทั้งปวง โดยสัจจิกัตถปรมาทิช่ไหมายปวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับนิกะหะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัติชดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้ในอวัยวะทั้งปวงโดยสัจจิกัตถปรมัติชท่านกล่าวคำขัดแยงด้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้ายังรู้บ mm ุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตแต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้ในอวัยวะทั้งปวงโดยสัจจิกัตถปรมัตคำนั้นของท่านผิดอนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้ในอวัยวะทั้งปวงโดยสัจจิกัตถปรมัตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัทิตแต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้ในอวัยวะทั้งปวงโดยสัจจิกัตถปรมัทิตย์คำนั้นของท่านผิดนิกขหาที่5จบ2โอกาสัสัจจิกัตถ 2. ปัจจณีกานุโรมะ14 ประวาทีทา่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัถะปรมาทิช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีทา่านยังรู้บุคคลไม่ได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจิกัถะปรมาทิช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีท่านจงรับนิหะดังต่อไปนี้หากทา่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัถะปรมาทิดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจิกัตถปรมาทัตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถปรมาทัตแต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจิกัตถปรมาทัตคำนั้นของท่านผิดอห น, นึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่า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 คำนั้นของท่านผิดนิขาทที่หกจบสามกาลสั์ชิกัตถะสองปัญจณีกานุโลมสิบห้าประวาทีท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสั์ชิกัตถะปรมัตใช่ไหมสกวาทีใช่ พระวาทีท่านยังรู้บุคคลไม่ได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิก um <me> ัตถะปรมัติใช uh ่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นพระวาทีท่านจงรับนิหะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัติดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิกัตถะปรมัติ ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกติปรมัตารแต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิกติธรรมปรมาจารคำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้ในการทั้งปวงโดยสัจจิกติธรรปรมัตาร ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได <Ste ek ambling> ้โดยสัตชิกัดถปรมัตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัตจิกัดถปรมัตแต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้ในการทั้งปวงโดยสัตจิกัถปรมัตคำนั้นของท่านผิดนิหะที่เจ็จบ สอวัยวะสัจจิกัตถะสปัจจนีกานุโรมะ16ปรวาทาวาวาีท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตาใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านยังรู้บุคคลไม่ได้ในอวัยวะทั้งปวงโดยสัจจิกัตถะประมัตาใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาที ท่านจงรับนิกะะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้ในในอวัยวะทั้งปวงโดยสัจจิกัตถปรมัตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถปรมัตแต่ไม่ยอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลไม่ได้ในอวัยวะทั้งปวงโดยสัจจิกัตถปรมัตคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลไม่ได้ในอวัยวะทั้งปวงโดยสัจจิกัตถปรมัตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถปรมัตท่านกล่าวคำขัดแยงด้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกะถปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลไม่ได้ในอวัยวะทั้งปวงโดยสัจจิกะถปรมัตถ์คำนั้นของท่านผิดนิฆาตที่8จบ 5. สุดธิกะสังสันธนะการเทียบเทียงบุคคลกับสภาวธรรมล้ว น, วน 17. สิบจัดกวาที ท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตุดุดยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัต์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีร hmm. ูปกับบ <WWE> <Mehr Chinese S 2> ุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับนิกหะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตุดุดยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัต์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 รูปกับบุคคลเป็นกนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิด 18. บสกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจยังรู้เวทนาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจยังรู้สัญญาดุจยังรู้สังขารดุจยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที วิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับนิกะหะดังต่อไปนี้หากท่านอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจิกัตถปรมัติดุดอย่างรู้วิญญาณได้โดยสัจิกัตถะปรมัติดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกติธรรมปรมาดุดยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกติกธรรปรมัจตุแต่ไม่ยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดอห น, นึง่งหากท่านไม่ยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า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 19. บกสกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ดุจยังรู้จักขายตนะได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ดุจยังรู้โสตายตนะดุจยังรู้คานายตนะดุจยังรู้ชิวหายตนะดุจยังรู้กายายตนะดุจยังรู้รูปายตนะดุจยังรู้สัจทยตนะ ดูดยังรู้คันทายตะนะดุดยังรู้รสายตะนะดุดยังรู้โพธพายตะนะดุดยังรู้มนายตะนะดุดยังรูธ้ธรรมานยตะนะได้โดยสัจจิกัตถปรมัตย20สิกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตยดุดยังรู้จักขุ่ท่าได้โดยสัจจิกัตถปรมัตย ดุดอย่างรู้โสตธาตุดูดอย่างรู้คานธาตุดุดอย่างรู้ชิวหาธาตุดูดอย่างรู้กายธาตุดุดอย่างรู้รูปธาตุดุดอย่างรู้สัตธาตุดูดอย่างรู้คันธาตุดุดยังรู้รัศฐธาตุดุดยังรู้พอทพธาตุดูดอย่างรู้จักขวิญญาณธาตุดุดอย่างรู้โสตวิญญาตธาตุดูดอย่างรู้ ขานวิญญาณธาตุดุจยังรู้ชิวหาวิญญาณธาตุดุจยังรู้กายวิญญาณธาตุดุจยังรู้มโนธาตุดุจยังรู้มโนวิญญาณธาตุดุจยังรู <t> ้ธรรมธาตุได้โดยสัจจิกัตถปรมัตย์ยี่สิบอกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตยดุจยังรู้จักขุนศีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตยดุจยังรู้โสตินศี ดูดยังรู้คานินทรียดุดยังรู้ชีวหินสีดุดยังรู้กายินรีดุดยังรู้มนินรียดุดยังรู้ชีวิตินรีดุดยังรู้อิทธินสีดุดยังรู้ปุริสินสียดุดยังรู้สุขขินสีดุดยังรู้ทุกขหินสีดุดยังรู้โสมนัสสินสียดุดยังรู้โทมนัสสินสียดุดยังรู้อุเบกหินสี ดุดยังรู้สต voilà ินสีดุดยังรู้วิริยินสีดุดยังรู้สตินสีดุดยังรู้สมาธินสีดุดยังรู้ปัญญินสีดุดยังรู้อนัญญาตัญญัตตามีตินสีดุดยังรู้อัญญินสีสกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกถาประมตท ดูดยังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีอัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับนิะหะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัต ดุดยังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่ญญาข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถดุดยังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถแต่ไม่ยอมรับว่า อัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m a t ตดยังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m a ท่านกล่าวคำขัดแยงด้งใดในตอนต้นนั้นว่า ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะ -paramat ดุดยังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m a แต่ไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันทำนั้นของท่านผิด22ปรวาทีท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m a ใช่ไหมสกวาทีใช่ ปรวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และท่านยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัติช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านจงรับปฏิกรรมทั้งต่อไปนี้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 สกวาธีใช่ปราวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และท่านยังรู้เวทนายัางรู้สัญญายัางรู้สังขารปราวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และทา่านยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกตถปรมัตใช่ไหมสกวาที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 วิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่แต่ข้าพเจ้ายัางรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัดถับปรามาทัตท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไป ว, ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ และข้าพเจ้าอย่างรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกถะปรมัทิตยแต่ไม่ยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิด 24. ่สิปวาทีท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกถะปรมัทิตยใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ และท่านยังรู้จักขายัตนะได้โดยจัตจิกัดถปรมัตยังรู้โสตายตนะประวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และท่านยังรู้ธรรมายตนะได้โดยจัตจิกัดถปรมัตยละ25ประวาทีท่านยังรู้จักกุธาตได้โดยจัตจิกัดถับปรมัตย ยังรู้กายธาตุย teaching teaching ังรู้รูปธาตุยังรู้โพธพภธาตุยังรู้จักกุญญาณธาตุยังรู้มโนวิญญาณธาตุยังรู้ธรรมธาตุได้โดยสัทจิกัตถปรมัตต์ยีิบหปรวาทีท่านยังรู้จักขุนสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ยังรู้โสตินสีได้โดยสัทจิกัตถปรมัตต์ อย่างรู้อัญญินรีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตพระ27ปรมวาทีท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และท่านยังรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหม สกวาทีใช่ประวาทีอัญญาตาวินสีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีท่านจงรับปฏิกรรมดังตอไปนี้หากพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และท่านอย่างรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิกถาปรมัต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 ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเรือกูลตนเองมีอยู่และข้าพเจ้ายังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกถาปรมัตแต่ไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดสุทิกะสังสันธนะ จบ